เรามีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทถ้าเธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาทวินยูชนก็จะติเตียนว่าดูเถิดดูสาวกของพระโคดมล้วนเป็นอมิสทายาตหนักในอมิตรมุ่งในอมิตรไม่เป็นผู้นักในธรรมไม่มุ่งธรรมถ้าเธอทั้งหลายเป็นธรรมทายาท ก็จะไม่ถูกติเตียนจากวินยูชนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้รับมรดกอามิสของเราไม่น่าสรรเสริญส่วนผู้รับมรดกธรรมของเราน่าสรรเสริญเพราะการรับมรดกธรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายมีความเพียนสม่ำเสมอไม่ถอยหลังด้วยเหตุนี้แหละพระภิษุทั้งหลายเราจึงปรารถนาว่า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 ภิกษุอย่างนี้ไม่ว่าเป็นเถระหรือเป็นใหญ่บวชนานหรือเป็นผู้ปูนกลางหรือเป็นผู้ใหม่ย่อมได้รับการติเตียนจากวินยูชนสามสถานว่าพระศาสดาตรัสแล้วแต่สาวกไม่ศึกษาปฏิบัติตามในเรื่องความสงัดพระศาสดาทรงสอนให้ละสิ่งใดก็ไม่ละสิ่งนั้นเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดพระในความสงัด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 พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั่งอยู่ณที่เฝ้าพระบรมศาสดาด้วยได้ฟังพิสูจ ท, ทั้งหลายสรรเสริญคุณของพระปุณณ์เช่นนั้นจึงดําริว่าเป็นลาบของท่านปุณณมันตานีบุตรเลือเกินความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณได้ดีแล้วที่เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวิญยูชนกล่าวยกย่องสรนเสริญพนานาคุณเฉพาะพระพักของพระาศาสดาและพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงอนุโมทนาคำยกย่องนั้น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 ให้อาจหารร่าเริงด้วยทมีกถาเป็นอันมากท่านพระปุญนมันตานีบุตรชื่นชมอนุโมทนาพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วเข้าสู่ป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันขณะนั้นพิสุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วแจ้งข่าวให้ทราบว่าพระปุญมัตานีบุตรที่ท่านสรรเสริญอยู่เนือ ง, งนั้น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 สเสด็จถึงเมืองสาเกตจากนครสาวัตถีด้วยรถผลัดได้พระองค์จะตรัสตอบอย่างไรจึงจะชอบด้วยเหตุผลผู้มีอายุพระสารีบุตรตอบพระเจ้าเภเสนที่โกศลจะต้องตรัสตอบว่าได้สเสด็จมาโดยรถเป็นผลัดๆถึงเจ็ดผลัดพระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวว่าเรื่องวิสุทธิเจ็ดก็ทํานองเดียวกันอาศัยกันส่งไปเป็นทอดๆเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กัน จนถึงอนุปาธาปรินิพานข้าพเจ้าพระพฤติโรมจันท ร, ร์เพื่ออนุปาธาปรินิพานนั้นเมื่อพระปุณณมัณตานีบุตรกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรได้ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญเพื่อนพรมจันท ร, ร์เรียกนามท่านว่าใครเมื่อพระปุณณบอกนามของตนแล้วพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์นักทําอันลึกซึ้งท่านปุณณะมัณตานีบุตร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 รันได้ยินฉนี้พระคุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวคำนิยมขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้ทราบเลยว่ากำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระสาวกผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คลายพระาศาสดาถ้าได้ทราบแต่ต้นคงพูดไม่ออกเป็นแน่แท้หน้าอัศจรรย์จริงรท่านผู้เจริญทำอันลึกซึ้งท่านสาริบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง